อีกกชิดเคยครั้งที่สามแล้วขอเข้าภาษานี้ฟังทำตามสบายนะครับทำกับกันเองทัานมาก็จะนำาิทานที่เขียนใน a ฟ e b o o k มาเล่าจนกว่าเวลาจะหมดวันนี้จะเล่าเรื่องของหลวงปูดงป่ดิเนาะหลวงปู่ดิเนาะเนี่ยอยู่ที่จังหวัดอุดรตลอดชีวิตของท่านนะท่านอยความสุขตลอด ท่าเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นในชีวิตท่านมากมายมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งตอนที่ท่านปินาบาตขณะที่ปีนาบาตอยู่นั้นมีเด็กกำลังทะเลาะ ก, กันแล้วก็เฟียงกองก้อนหินใส่กันก้อนหินก็พลาดมาโดน หัวหลวงปู่ขณะบินทบาทพอดีหลวงปู่และหัวแตกญาติโยมก็วิ่งมาดูแล้วก็ต่อว่าด่าเด็กแต่หลวงปู่ก็บอกว่าก็ดีเนาะที่ตาไปบอดคือหลวงปู่ถ้าเป็นคนมองโลกในแง่บวกท่านจะมองสิ่งได้ดีกว่าแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงปู่มากรุงเทพแล้วเผอิญรถติด คือรถไฟไม่ทันรถไฟเที่ยวที่จะกลับอุดรหลวงปู่ก็บอกก็ดีเนาะจะได้อยู่กรุงเทพอีกคืนหนึ่งพอวันลุกขึ้นหลวงปู่มาขึ้นรถไฟทันหลวงปู่ก็บอ ก, กดีเนาะจะได้กลับอุดรซึ่งเกิดอะไรขึ้นกับหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่รับได้หมดคือท่านมองโลกอย่างแง่บว ก, บกมีอยู่ครั้งหนึ่ง มีลูกศิษย์นิมนต์หลวงปู่ไปแสดงธรรมที่บ้านแล้วก็ฉันพัดอาหารเพนด้วยแล้วนัดหลวงปู่ว่าจะบ้าเดีเช้าซึ่งหลวงปู่ทีน้อก็รออยู่ที่วัดรอตั้งนานลูกศิษย์กยัไม่มารับตัท้ทีหลวงปูก่ก็ก็ดีเนาะเราฉันอาหารของเราดีกว่าว่าหลวงปู่ก็ตักอาหารมาฉันฉันได้ไม่กี่คํารถก็มารับ ลูกศิษย์ก็มาขอโทษขอโพยหลวงปู่ใหญ่บอกว่ารถเป็นเสียเลยทําให้มาผิดเวลาหลวงปู่ก็บอกก็ดีเนาะไปฉันบ้านงานดีกว่าพอรถวิ่งไปได้สักพักหนึ่งบัจจภาพแม้อยู่ไกลหลายกิโลเหมือนกันนะรถก็เสียอีกพอรถเสียหลวงปู่ก็บอกก็ดีเนาะจะได้ชมวิวคนขับก็ซ่อมรถอยู่พอซ่อมสักพักหนึ่งก็บอกให้หลวงปู่มาช่วยเข็น ซึ่งหลวงปู่ก็แก่แล้วหลวงปู่ก็ช่วยเข็นก็หลวงปู่ก็พูดว่าก็ดีเนาะจะได้ออกกําลังกายจะช่วยเข็นจะลดติดแล้วก็วิ่งไปบ้านงานแต่พอถึงบ้านงานก็เลยเพลนแล้วหลวงปู่ก็เลยอดฉันเจ้าภาพก็หลวงปู่เดี๋ยวขึ้นแสดงธรรมหลวงปู่ก็บอกว่าดีเนาะมาถึงได้ทําหน้าที่เลย หลวงปู่แสงทําอยู่นั้นลูกศิษย์ก็ไปชงกาแฟมาให้หลวงปู่ฉันแต่ด้วยความที่รีบร้อนคือมันมีกระปุกเกลืออยู่ ใ, ใกล้ๆกระปุกลำตาลและสีขาวเหมือนกันลูกศิษย์หยิบผิดกระปุกเอาเกลือใส่แทนหลวงปู่ฉันไปได้ทักคำหนึ่งก็ท่านก็บอกดีเนาะฉันกาแฟหวนมานหวานมาบ้างแล้วฉันกาแฟเค็มมั่ง แล้วท่านก็วางไว้วางแก้วไว้คือฉันประมาณแล้วครึ่งแก้วตามธรรมเนียมของของครูบาจารย์ที่เป็นเกจิเนี่ยจะมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยอยากฉันขอรับประทานของที่เหลือฉันมาหรือสิ่งต่างๆเนี่ยถ้าได้มาถือเป็นมงคลมันลูกศิษย์จะจ้องแย่งกันพรเห็นว่าหลวงปู่ไม่ฉันแล้วก็มาขอขอทานกาแฟที่เหลือต่อ ึแก้วนั้นเพราะลุกสิ์ดื่มกาแฟไปต้องพ้นบ้วนทิ้งเลยบอกหลวงปู่ฉันเข้าไปได้ยังไงเขมปีหลวงปู่เขอบอกเาดีเนาะมีการเปลี่ยนรสชาติบ้างแล้วก็มีเรื่องหนึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญในชีวิตของหลวงปู่คือมีอยู่ครั้งหนึ่งโจนได้ขึ้นมาป้นหลวงปู่ที่กุดหลวงปู่ีนอดไปเกจิอาจารย์ชื่อดัง จึงมีคนถวายเข้าของแล้วแล้วลาบสักการะมากคือ ท, ท่านเนี่ยจะมีจะเป็นเกจติที่บุกเสกพระเครื่องด้วยแล้วก็เป็นราชาคณะชั้นเทพด้วยซึ่งก็เป็นที่ล่ำลือไปถึงเข้าหัวโจรโจรคนนคี้มีคดีมีคดีฆ่าปนจะทรัพย์หลายลายจีดใจโหดร้ายมาก บุกคือกุฏิหลวงปู่หลวงปูก่กำลังไหว้พระสวดมนต์อยู่โจคนมันก็ปืนขู่ทันทีเลยบอกหยุดเดี๋ยวนี้นะที่การป้นหลวงปู่ก็หันมา ย, ยิ้มกับโจนอย่างอารมณ์ดีแล้วก็บอกป้นก็ดีเนาะโจแทนที่หลวงปู่จะตกใจโจนมันก็สงสยัยเพราะโจนไม่เคยเจออย่างนี้โจนก็บอกว่าป้นจะดีเนาะยังไงหลวงปู่ก็บอกว่า ข้าเนี่ยต้องมาล้างเฝ้าสมบัติว่าบ้านเนี่ยต้องหลายปีเองช่วยขนเรือ ม, มั่งก็ดีข่าจะได้ไม่ลงาเฝ้ามันอีกโจนก็พูดว่าไม่ใช่ปล้อนอย่างเดียวต้องฆ่าด้วยนะไอ้กายปิดปากจะได้ไม่บอกตำรวจหลวงปู่ก็บอกว่าฆ่าก็ดีเนาะโจนมันก็สงสยัยฆ่าดียังไงมีแต่คนปูบออ้อนวอนขอชีวิต หลวงปู่ก็บอกว่าข้ามันแก่แล้วต้องอยู่ดูแลรักษาร่างกายสังขารที่เสื่อมโทรมลงทุกวันทุกวันหูตาก็ฝ้าวางเดินเหินก็ไม่สะดวกเองมาฆ่าข้าใครสบายสักีหลวงปู่พูดอย่างนี้โจรมันก็เริ่มใจอ่อนถ้างั้นฉันไม่ฆ่าก็ได้หลวงปู่ก็บอกว่าไม่ฆ่าก็ดีเนาะ โจรเมื่อก่หลวงปู่จะเอาไงฆ่าก็ดีเนาะไม่ฆ่าก็ดีนเนาะหลวงปู่ก็บอกว่าถ้าเองเองฆ่าฆ่าเองก็ต้องรับกรรมผู้ตำรวจเราตามล่าจับเองให้ได้เองก็ต้องเข้าคุกหรือไม่ก็โดดเขาโดนตำรวจฆ่าตายแถมตายไปยังต้องตกนรกไปใช้กรรมใช้เวรมาเกิดจากนรกก็ต้องไปเกิดในที่ไม่ดีอีก ซึ่ง ว, วิบากมากมายที่ยังต้องได้รับคือหลวงปู่พูดให้โจรดูสํานึกซึ่งโจรก็ได้ฟังแล้วก็เริ่มสํานึกผิดก็เลยอย่างนี้อย่าง น, างนี้ไม่ป้นก็ได้แล้วก็ต่อมาไม่นานโจรคนนี้ก็มาขอบวชกับหลวงปู่คือก่อนที่จะบวชเนี่ยโจรคนนี้ไป ม, มอบตัวตํารวจก่อน แล้วก็ติดคุกอยู่สักพักนึงพักใหญ่พอบวชกับหลวงปู่ก็ตั้งใจเป็นพระที่ดีรักษาศีลภาวนาปฏิบัติธรรมจนตลอดชีวิตเพื่อชดใช้บาป ท, ที่ตัวเองก่อขึ้นซึ่งหลวงปู่ลีดอเนี่ยสามารถพลิกเรื่องร้ายให้เป็นเรื่องดีได้เพราะการที่หลวงปู่ไม่มีสติแล้วก็ไม่ตกใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งองค์ในหลวงเสด็จไปที่วัดที่หลวงปู่อยู่ ญาติโยมก็กลัวหลวงปู่จะไปพูดดีน้อเขาหลวกับในหลวงก็เลยบอกให้หลวงปู่เนี่ยอยู่นิ่งๆยิ้มๆนะในหลวงก็มามาถึงก็มาคุยกับหลวงปูอ่อ่ะในหลวงก็เห็นได้เห็นหลวงปู่ไม่พูดไม่พูดทักทีสงสัยไม่เข้าใจคําถามเพราะหลวงปู่เว้าวอีสานในหลวงก็ให้ข้าราชบริพารเนี่ยที่มาด้วยกันเนี่ย ให้ไปคุยหลวงปู่เป็นภาษาอีสานซึ่งคำแรกที่หลวงปู่ดีเนาะบุตรหลุดออกมาก็ดีเนาะหลวงเขาบอกให้เฮาพูดเขาย่านว่าเฮาพูดประม่วนดีเนาะหลวงดีเนาะมหาบพิษ ซึ่งคำว่าดีนอเนี่ยดีนอหลวงนี่แหละเป็นเหตุให้ในหลวงตั้งฉายาให้หลวงปู่เป็นพระเทพวิสุทธาจารย์สาธุทานธรรมวาทีซึ่งก็แปลว่าดีนอ เ, นเองวพราหลวงปู่เป็นคนพูดตรงแล้วก็ใช้คบว่าดีนอตลอดทั้งชีวิตเลยจนเป็นนิสัยของท่านเนี่ะขนาดมีผู้หญิงคนหนึ่งสามีตายวิ่งมาหาหลวงปู่ หลวงปู่หลวงปู่สามีฉันตายหลวงปู่ยังหลุดออกมาบอกว่าตายก็ดีเนาะซึ่งผู้หญิงก็นี้ตกตกใจตายก็ดีเนาะได้งไงหลวงปู่บ้าหรือเปล่าหลวงปู่เขาบอกบ้าก็ดีเนาะอันนี้ไม่ติดนิสัยเลยคือหลวงปู่ท่านเป็นคนมองด้วยนแง่บวกท่านไม่เคยนินทาว่าร้ายใายต่อชีวิตซึ่งไป็ที่นับถือชาวอุดรจังหวัดอุดรมาก ปู่ลีดอนเนี่ยเกิยดยุคเดียวกับหลวงปู่มั่นท่านเกิดพศออ2415แล้วก็มรณภาพเมื่อวันที่10มีนาคม2513ถ้ารวมอายุของหลวงปู่ก็98ปี7 6พ0 0ษาแล้วก็เป็นเจ้าวาดของวัดวชิรมาวาสเนี่ย ถึง63ปีถือว่าเป็นเจ้าวาดที่นานมากและเป็นราชาคณะชั้นเทพซึ่งเรื่องของท่านก็มีคนมาเล่าเยอะเพราะว่าคือท่านทําให้คนน่ยมองโลกในแง่บวกเกิดอะไรรุนแรงแล้วก็ดีเนาะดีเนาะถ้าไปหลวงพ่อพุทธทาบอกใช่นั้นเองถ้าไปหลวปูช้าบอกมันไม่แน่ซึ่งเรื่องพวกนี้ใช้ได้บางทีเกิดเหตุการณ์ร้ายเรา เราต้องรอรออะไรนานๆ็นนดีเนาะคิดถึงหลวงปู่ได้ธรรมะก็ใช้บ่อยทุกวันนี้บางเรื่องรอแล้วบางทีรอหลายชั่วโมงก็มีบางอย่างเนี่ยมันจังหวะหายหมดอะเราก็เราก็คิดถึงหลวงปู่ดีเนาะ็ดีเนาะอย่อางเงี้ยก็สามารถช่วยได้นะช่วยระ ด, ด, ดับหนึ่งเจอเจ อ, เจอเรื่องขัดใจเจอเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยธรรมะหลวงปูด่ดเนาะช่วยได้ถ้าเราทำบ่อยๆเรื่องหลวงปู่ดีเนาะ ก, ก็จบอันมาจะเล่าอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องเรื่องนี้เกิดที่ประเทศญี่ปุ่นจะคล้ายๆหลวงปู่ลี้เนาะแต่คนละทางอันนี้เป็นเรื่องของเซนมีอาจารย์เซนอยู่ท่านหนึ่งท่านมีชื่อว่าฮากูอินอาจารย์ฮากุอินเนี่ยเป็นอาจารย์ที่มีคนนับถือมากท่านเป็นพระที่สามาร ถ, ถา ใช้ชีวิตเรียบง่ายแล้วท่านก็เข้าถึงธรรมด้วยที่บริเวณใกล้ๆวัดของท่านก็มีร้านขายของชำอยู่ร้านหนึ่งร้านขายของชาร้านนี้เจ้าของเจ้าของบ้านสองคนตายายมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งซึ่งหน้าตาสวยมากแล้วอยู่มาวันหนึ่ง ก็จับได้ว่าลูกสาวเนี่ยท้องเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆสองคนตายายนี่โกรธมากก็พยายามบีบคั้นเคียนตีลูกสาวว่าไปท้องใครมาใครผู้หญิงนี่ก็ไม่ยอมบอกว่าไปท้องใครมาแต่พอถูกบีบคั้นหนักๆเข้าก็เลยบอกว่าหากูอินเท่านั้นแหละสองคนนายาย วิ่งไปที่วัดทันทีเลยแล้วไปด่าไปด่าอาจารย์ฮาอินเสียให้หายอย่างยืดยาวอาจารย์ฮาอินท่านก็ไม่ว่าอะไรนะท่านก็บอกอย่างนั้นเหรอแล้วพอลูกสาวคลอดลูกออกมาเป็นลูกชายสกุตายายก็รีบเอาไปให้อาจารย์ฮาอินเลี้ยง อาจารย์ฮาวินก็ไม่ว่าอะไรนะถ้าก็รับเลี้ยงก็หานมมาป้อนแล้วก็ดูแลไปอย่างดีท่านก็มีความสุขแต่ชื่อเสียงของท่านปวดปีหมดแล้วถึงขนาดนี้จากคนเคยนับถือก็มีความสือาอาจารย์ฮาวินเนี่ยเป็นพระทุศีนศรัทธาตอนนี้ก็ตกหมดมีแต่คนด่าคนอินทาแต่ท่านก็อยู่เป็นปกติสุข ใคระด่าก็ด่าไปสังเกตนะพาริยบุคคลเนี่ยจะไม่หวั่นไหวกับโลกธรรมจะไม่กลัวใครดินทาใครว่ากระทบแต่ถ้าปุถุชนไม่ได้โดอะไรก็โดกระเทือนหมดซึ่งท่านอยู่เหนือโลกธรรมแล้วต่อมาประมาณปีหนึ่งฝ่ายลูกสาวซึ่งเป็นต้นเหตุก็เริ่มเกิดมีความสำนึกผิดเพราะเราไปปรับปรำครูบาอาจารย์ ทำให้ท่านเสียชื่อเสียงก็เลยสารภาพผิดกับพ่อแม่ของตัวเองสองคนตายายพอรู้เข้าก็ตกใจแทบช็อกรีบวิ่งมาวัดมาขอเข้ามาอาจารย์ฮาคุอินเสยยืดยาวซึ่งอาจารย์ฮาคุอินก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านก็บอกว่าอย่างนั้นเลอะ แล้วสองคนตายยายก็รับหลานกลับไปเลี้ยงแล้วชาวบ้านนี่เคยด่านินทาจากย์ฮาคุอินก็มาขอเข้ามากันและชื่อเสียงท่านกลับคือเดิมเหมือนเดิมซึ่งเรื่องนี้ก็จบได้ดีอาจารย์ฮาคุอินท่านไม่สนใจเรื่องชื่อเสียงของท่านจะป่นปี้แค่ไหนคือไม่ขึ้นจิตใจ ไม่ฟูไม่แฟบไม่ยินดีไม่ยินร้ายเพราะชื่อเสียงเนี่ยคือขึ้ น, นโลงได้ไม่หวั่นไหวในโลกกระทาอันนี้เราก็สามารถเอาแง่คิดตัวนี้มาใช้กับชีวิตประจําวันได้เวลาเราโดนคนดินทาโดยคนใส่ร้ายโดยคนว่าตัวคนว่าในเรื่องที่เราไม่ได้ทําเนี่ยเราก็อย่า ง, งานั้นเลยเดี๋ยวเรื่องก็เงียบไปะเดี๋ยวเพราะคนเราไม่สามารถดินทาได้เกือบเจ็ดวันเดี๋ยวคนก็เบื่อ อย่างสมัยก่อนพระพุทธองค์เนี่ยเคยโดนนางมาคัดียาเนี่ยใส่ร้ายจ้างพวกรักเลงเนี่ยมาดา่ดาด่าเสียหายจนพระอานนท์เนี่ยต้องบอกพระพุทธเจ้าว่าใ ห, ให้ยให้ย้ายไปเมืองอื่นเถอะพระพุทธองค์ก็บอกว่าแล้วถ้าย้ายเมืองอื่นแล้วโดนดินทาอีกจะทําไงโดนด่าดโดนดินทาอีก ภาคโนนก็บอกย้ายมเมืองอืน่นอีกซึ่พระเจ้าบอกให้อยู่ที่นี่แหละคนเราจะนินทาได้หรือด่าว่ากล่าวก็ไม่เกินไม่น่าเกินเจ็ดวันเดี๋ยวเรื่องก็สงบเหตุเกิดที่ใดก็ให้ดับที่นั่นซึ่งนิทานสองเรื่องนี้ก็ที่อันมาเล่านี่ก็เห็นว่าเกิดประโยชน์เหมือนกันการมองโลกในแง่บวกการไม่ไหวัว่นไหวกับโลกกระทำตอนนี้เวลาเหลือเดี๋ยวเล่าอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องของเซนเหมือนกันมีวัดอยู่วัดหนึ่งมีเจ้าวาดคงแก่เรียนแล้วก็มีน้องชายซึ่งตาบอดแล้วก็เป็นคนที่โง่เขลาปัญญาอยู่ด้วยกันสองคนแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็มีพระครุ ก, กะมาขอพัก ตามกติกาของวัดเซนเนี่ยแขกที่มาพักเนี่ยจะต้องโตธรรมะกับพระเจ้าบ้านก่อนถ้าโตธรรมะชนะถึงจะมีสิทธิ์ได้พักพี่ชายที่เป็นเจ้าวาดมีความอยากให้พระอุกะพักเพราะรู้ว่าน้องชายเนี่ยโงกเขลาเบาปัญญาคงจะแพ้แน่ก็เลยให้ไปโต้กับ น้องชายผอไปถึาางพระคโดกากเนี่ยไปถึงเจอเจอพระน้องชายทีตาเดียวก็มองหน้าต่างฝ่ายดังจ้องหน้ากันดูเชิงกันก่อนสักพักหนึ่งพระอรดกากก็ชูหนึ่งนิ้วพระเจ้าบ้านทีตาเดียวก็ชูสองนิ้วพระอัครกากก็ชูสามนิ้วพระเจ้าบ้านก็ชูกำปัน้น พระอรุกะก็มาหาเจ้าวาดบอกบอกว่าค่าโตวัาแท้แน้องชายของท่านแล้วขอลากรู้สึกละอายใจเจ้าวาดก็งงว่าท่านโตวัฒท่ากันยังไงพระอรกาะก็บอกว่าคาชูหนึ่งนิ้วก็หมายถึงพระพุทธ น้องชายท่านชูสองนิ้วก็หมายถึงว่ามีพระพุธแล้วก็ต้องมีพระธรรมส่วนค่าชูสามนิ้วมีพระพุทธมีพระธรรมก็ต้องมีพระสงฆ์น้องชายท่านชูกําปั้นขึ้นแสดง ว, ว่าพระพุธพระธรรมพระสงฆ์ต้องรวมกันเป็นหนึ่งข้ายึงยอมรับความพ่ายแพ้อย่างสิรราบว่าแล้วก็ลาคือไม่พัก แล้วก็รีบเดิ น, เ ด, น, เ, ดนเดินทางออกไปสักพักหนึ่งพาน้องชายก็วิ่งหมาหาพี่ชายดินหน้าตาให้ตื่นบอกไหนไหนมาอยู่ไหนพระพี่ชายก็งงวันเป็นเรื่องอะไรกันขอตะบันหน้ามาสักทีเอา้าชนะไม่ใช่เหรอพาน้องชายบอกชนะกับผีอะไร ถ้าเห็นมันเป็นแขกมันชูชูขึ้นมาหนึ่งนิ้วซึ่งเราไม่รู้จักกันมาก่อนก็หมายความว่าข้าน่ยมีตาเดียวข้าข้าก็เห็นว่าเราเป็นเจ้าบ้านก็เลยบอกมีความยินดีดินดีกับท่านด้วยที่มีสองตาก็เลยชูสองนิ้วอ้าวแล้วมันก็ชูสามนิ้วมันย่อเยอะๆข้าอีกบอกว่าเราสองคนรวมกันเป็นสามตา ข้าก็ยุวัสดขีดชวนบ้านขึ้นสักพมันก็วิ่งหนีออกมาเนี่ยซึ่งพูดไปอารมณ์ก็เสียไปซึ่งพระพิชายก็ได้ปรงปรงว่าสองคนนี้ปัญญาสูงส่งทั้งคู่เลยซึ่งนิทานเรื่องนี้ก็ได้ข้อคิดตรงที่ว่าพระสองรูปเนี่ยจะมีมุมมองที่น้องชายจเจ้าว่านะมองในแง่ลบ แล้ว ม, มีปัญญาคือใ ค, ใครทำอะไรก็ว่าคิด ว, ว่าเราหรือเปล่าคิดตัวเองอะแต่อีกคนหนึ่งก็มองโลกในแง่บวกแต่ก็ไม่มีปัญญาเหมือนกันคือมองโลกบิดเบือนไ ม, ไม่ไม่เป็นจริงคือประเมินค่าสูงเกินความเกินความเป็นจริงก็ทำให้มีการมองที่ผิดพลาดได้ซึ่งคนเราก็จะส่วนบ้างในโลกนี้ก็จะเป็นแบบมีการมองบิดเบือนแบบ นิทานเรื่องนี้เยอะนะมีการแบบคิดเอาเองมากงปุงแต่งแล้วก็ช่วยปุงแต่งในทางลบมั่งทำเรื่องไม่จริงให้เป็นเรื่องจริงมากงซึ่งทำให้ชีวิตเราเนี่ยไม่มีความสุขเพราะนิทานเรื่องนี้มีแง่สอนเยอะเพราะว่าคนเรานี่จะมีปัญญาไม่เหมือนกัน ม, มีวุฒิภาวะไม่เหมือนกันมีประสบะการณ์ชีวิตไม่เหมือนกัน มีสิ่งว่ลร้อมไม่เหมือนกันท่านการคิดอะไรจึงแม้ว่อมีความแตกต่างอ่ะความสามารถของเราก็ไม่เหมือนกันอย่างมีเป็ดกับหา่านเป็ดกับไก่เนี่ยสังเกตนะเป็ดกับไก่เนี่ยจะมีความสามารถแตกต่างกันมากทั้งที่ทั้งที่ดูเป็นสัตว์ที่คล้ายกันคือไก่สามารถขันเสียงเพาอแต่เป็ดสามารถลอยน้ำได้แต่ไก่ลอยน้ำไม่ได้ แต่ถ้าเกิดไก่อิฉาเป็ดว่าทำไมถึงลอยน้ำได้ไก่ก็ต้องทุบและเป็ดอิฉาไก่ว่าทำไมไก่ถึงขันขันเสียงเพราะซึ่งเป็ดร้องในกัาบก้าบเป็ดก็ต้องทุบเหมือนกั น, นสรรพสิ่งในโลกเนี้จึงต้องพึ่งพาอาศัยกันรวมกันเป็นหนึ่งเพราะว่าจะไม่มีใครมีความสามารถเหมือนกันทุกคนแต่เราสามารถเอาความสามารถให้แตกต่างเนี่ย มาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้เพราะแต่ละคนมีจิตนิสัยไม่เหมือนกันคือถ้ามีความสามัคคีต่อการใช้ความสามารถที่แตกต่างให้เป็นประโยชน์ก็สามารถพัฒนาพัฒนาสานที่ที่เราอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเป็นที่ต่างๆหรือเป็นที่วัดก็จะเจอรุ่งเรืองแล้วก็อยู่อย่างผาสุก มาจะท่องก่อหลวงพ่อเพื่อทายได้ฟังก่อนก่อนมองโลกแต่มองแต่แง่ดีเถิดเขามีส่วนเร็วบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีที่มีอยู่เป็นประโยชน์แก่โลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามวัวเที่ยวค้นหาสหายเอย๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเป่าเอย๋ย ใือเคยๆมองแต่ดีมีคุณจริงอันมาเห็นว่าวันนี้ก็พูดมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาลวขอจบลงแค่นี้ขอความสุขความเจริญธรรมจงมีแก่ญาติโยมและเพื่อสถาบันทุกท่านสาธุ